พุทธะธรรมเราพากันพุทธะธรรมฐา น, าา น, ฐรรฐานทุกคนที่ฟานี้แต่ว่าความแต่ว่าการพุทธะธรรมฐานยังไม่จนถูกต้องคือยังไม่เป็ น, ปนก็มีบางคนหัดกรรมฐานกับหัดอย่างนั้นน่ะไม่ทราบเลจักหลักเขาตรงไหนไม่มีหลักมีเกณฑ์ น่าเสียดายเวลาล่วงไปแค่ไดนควรที่จะจับหลักได้ฝึกหัดปฏิบัติจร่งจะเป็นไปถ้าจับหลักมาได้ก็อยูงั่นแล้วงงๆไปฟาวนั่นแหละไม่ทราบว่าเอาตรงไหนกันยิ่งอยู่นานไปเท่าใดยิ่งเลอะเทอะเลี้ยวไหล พูดฮาดไม่ได้เรื่องได้เราคนเราแก่มามันเป็นยังไงความแก่ความชารามันงรทุดโทมไปจากโน่นวางนี้จับอะไรต้องไม่ถูกแล้วทีไม่มีหลักมีเกณฑ์คนเราแก่ไม่เหมือนกระลูกไม้มงว่วงๆเหมันแก่มันก็นยังสุก มันแก่มันยังอร่อยมันหวานคนเรายิ่งแก่ยิ่งเปรี้ยวยิ่งไม่เป็นอันกินควรควรที่จะเห็นในตัวเราทุกทุกกฎมันเปรี้ยวอยู่ตรงไหนมันหวานอยู่ตรงไหนคนเรา คนแก่ให้สมกับคนแก่คนหนุ่มให้ตามเธอปล่อยไปตามเรื่องได้ก่อนความแก่ควรที่จะมีหลักมีเกณฑ์พระพุทธเจ้าท่านเลยเลือกเอาอายุหอกเป็นคนแก่ไม่ใช่อายุมากๆอย่างเรียกว่คนแก่ท่านเลือกอาคุณธรรม คนแก่มีคุณธรรมนั่นได้ชืือว่าแก่ถูกต้องแก่ดีงามแก่ชุกขวานอร่อยแก่ไม่มีคุณธรรมแก่เปรี้ยว <c oughs> นั่นก็เปรี้ยวเลยสิ <c oughs> เห็นอะไรด้ดด่ากาดาวุ่นวายหมดวุ่นวายหมดทุกสิ่งทุกอย่าง มันจะเปี้ยวสินะ่มันจะเปี้ยวอะไรนะคือไม่ยับยั้งทั้งใจของตนไม่รู้จักหลักของตนหลักของตนที่ปฏิบตัตนะิเอาอะไรเป็นหลักนัน่นแหละมันเปี้ยวตรงนั้นแหละใครก็ไม่ชอบหวานให้ก็ชอบทุกคน เลี้ยวใครก็ไม่ชอบพูดโยเจ้าทันเทศนาว่โยจวัตสตังคีเบโยจวัตสตังคีเบมีอาุตังร้อยีกเอาเถอะ ไม่เห็นไขไม่เห็นความเสื่อมความชิ่นของสั้งขาทั้งขานั้ตัคนนั้นน่ะเอากาห์จีตาสยสู้ผลเดียวคนที่มีอายุในวันเดียวเท่านั้นน่ะแต่ไปเห็นความเสื่อมความชิ่นของทั้งขาทั้งตนไม่ได้ถนัดนั้นเีอายุมาก แต่ไม่รู้จากหลักธรรมไม่มีหลักจิตใจของตนสู้เด็กที่มันเกิดมาในวันนั้นมองเห็นชีวิตของตนความเสื่องของกินของตนไม่ได้ในวันนั้นเหตุนั้นควรที่จะหาหลักดังจะอธิบายต่อไปนี้ เร า, าภาวนาหาหลักจิตหาหลักจิตหลักใจคนเรามีจิตมีใจทุกคนแต่ว่าไม่เห็นจิตใจของตนนั่นเรียกว่าไม่เห็นจิตใจของตนเรียกว่าไม่มีหลักเห็นจิตใจของตนแล้วนั้น ตั้งสติพิจารณาที่แจงาตนอยู่แน่ๆตลอดเวลามันคิดดีคิดชั่วยอย่าละเอียดก็เห็นอยู่แล้วมันสามารถที่จะก็ไม่สามารถที่จะทำชั่วได้สิข้าเห็นจีตึงตัวจานั้นเหตุนั้นจึงตั้งสติสติคือควมามลรรลุคือตั้งไว้ตั้งตรงนี้แบบะ เอาบริกรรมเราสร้างคิดคิดในตัวให้เอาคําบริกรรมมาแนวหนึ่งก็ได้พุทโธก็ได้สัมมาทังอะไรยหกหนอพ่องหน่ออะไรนั่นน่ะคือว่าเอายกหนอเอาพุทโธดีกว่าพุทโธอยู่ที่ใจใจเป็นคนนึกคนคิดพุทโธ จักตัวนั้นให้มันได้คิดใจนั้นเอาเอาพุโทโธมาไวใ้ให้มันมารวมเป็นที่เดียวรวมความคิดความอ่านทั้งหมดมาอยู่กับพุโทโธนึกเอาที่พุโทโธเดียวให้เห็นตัวนั้นก่อนยืนเดินนั่งนอนที่ยาบุตรแรงของมด อยู่กับพุโทโธอันเดียวจิตใจทังคนเรามันอันเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หลายอย่างที่วันอะไรหลายอย่างคือมันเร็วมันเร็วที่สุดเราจับมันไม่ทันเราจับเอาเอาพุโทโธนะเอาจิตเอาไว้พุโทโธจับตัวจิตได้หรือคะนี่งั้นอันเดียวแท้แท้ มันคิดพุดโทนึกพุดโธการเดียวนึกทำโมตั้งโคการเดียวแล น, นึกจริงเล้เด็กกับผู้เดียวเัยเนี่ยเด็กคนนึกช้าลองอสิการสตริรักษากจิตตามปัญญาก็มีในตัวนั้นรู้ตัวว่าเรารักษากจิตกติรักษากจิต เมื่อรู้ตัวแล้วทิ่นังอื่นมดกวางยังเหลือแต่สติกับจิตยัสติกับฉันปัญญาขับจิตเท่านั้นสามอันเท่านั้นวรวมลกไปใ น, นเดียวคนจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลานั่นเรียกว่าคุมคุมของจิตอยู่รักษกายจิตอยู่ จิตเป็นของเราแล้วครับทําอย่างนี้แหละถึงจะเห็นจิตถ้าไม่ทาอย่างนี้ไม่เห็นเลยปฏิบัติไปเถิดกี่ปีกี่ปีก็ปฏิบัติไ ป, ป, ปเถิดไม่เห็นจิตเลยทําปฏิบัติตรงแนวนี้เห็นทุกคนจิตของตนไม่อยู่แต่ไม่เห็น ถ้าทำอย่างนี้เห็นจิตทุกคนมีทุกคนจิตของคนเรานั่นได้ชื่อว่าฝึกหัดจิตทำส ม, สมาธิภาวนาก็คือฝึกหัดจิตฝึกหัดจิตก็คต้องการให้รู้จักจิตให้จิตอยู่ในอานาจของเราเท่านั้นเลยไม่มีประโยชน์อะไรนอกวนอกจากนั้น เห็นจิตของตัวเจ้ทุกขณะจะเชื่อว่าเราคุกจิตได้แล้วลองดูที่เขาหนนะิถ้าคุกจิตได้แล้วจะทำยังไงต่อไปก็จิตตัวเดียวเนี่ยมันคิดอะไรมันตสงสายไปอะไรมันปรุงมันแต่งอะไรก็จิตตัวเดียวเนี่ยเราอย่าคิดเสีอย่าปรุงอย่าแต่งเสี มันก็เฉย อ, อยู่จิตคนเดียวดันะเฉย อ, อยู่ใช่แล้วควุ้มจิตอยู่ได้โอกาสนี้มันจะมีเวลานอ น, นั้นเรียกว่าวิธีฝึกหัดวิธีปฏิบัติฝึกหัดต้งเป็นอย่างนั้นทุกๆองค์ใครจะฝึกหัดได้ก็เอาเถออาจารย์ไหนก็ตามเถอต้องฝึกหัดนี้ทั้งนั้น แล้วพระเจ้าทุกองค์องพึกหันหนี้ทางนั้นไม่พึกหัดอื่นเมื่อพึหกหัดจิตอย่างนี้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะมีเวลารวมรวมไม่ไม่ต้องเราไปรวมเองเราไม่ต้องไปรวมมันมันรวมเองของมันตั้งหากจิตรวมนั้น ทัานเรียกว่าผวังคจิตเรียกว่าผวังคุปเชทะคือมันคณะเดียวมันรวมเหลือคณะเดียวผวังขาบาสไอ้ผวังขาบาทคือมันรวมลงอคณะเดียวแล้วก็ถอนออกมาผวังคจรณะมันรวมแล้วไปสรงสายอยู่ภายในนั่นยากกว่าผวังคจารณะ ทำไได้ส่งออกไปที่นอกส่งใส่ ย, ยู่ภ่ายในเหมือนกับคนที่เข้าในบ้านในเรือแล้วปิดประตูมั้เส้แสงไฟสว่างเลยิ่งว่หาสิ่งทั้งหลายทั้งกวลในในบ้านในเรือนนั่ น, น, นระวังใครจะรณะถ้างองค์เขาไปเชตห า, านี่เด็ดเดียวลงไปเลยนิ่งแน่ ตอารมณ์เดียวตัดขาดงดตั้งภายนอกบางทีไม่สามารถที่จะรู้ว่าตนอยู่อย่างไรตรงไหนแต่มันมีใจใจอันนึงของมันทั้งอันนี้เรียกว่าบัญญัติท่านบัญญัติสมมติตามอาการนั้นเป็จแต่บางทีนั้น ผู้ที่ฝึกหัดปฏิบัติอย่างอธิบายในบงตนรักษาควบคุงสติควบคุมจิตอยู่เท่านั้นนะไม่ไปไหนอยู่อันเดียวแล้วสามารถจะรวงรูบลงไปถึงพระวังขบะออพระวังคู่ประเทศาเลยก็ได้ไม่ต้องลำดับพระวังคู่บาทพระวังค เจอณปองคูเ่เฏิเสธไม่ต้องระบาดถึงขวังคู่ปฏิเสธ่ า, เ, าเลยก็ได้ที่ท่านอธิบายที่อธิบายเป็นัจ น, จ น, จนตอนนั้นอธิบายไว้จังหาผู้เป็นอย่างนั้นท่านก็อธิบายอย่างนั้นแต่แท้จริงไม่ได้บังคับเป็นเลยจงขวังคู่ปฏิเสธ่ า, เ, าเลยก็ได้ถ้าไปมัวเมาแต่ถือตามตำหลายอยู่ ไม่เป็นเล็กค่ะเหตุนั้นอย่าไปถืออันนี้อธิบายฟังให้เจอิอในแถวพวังเยี่ยวกับเขาวางคืออะไาวังเขาบาเขวังเทข้าจะ ร, ระนาบเขวังกุระเสียทะนั่นแถวเราวังอธิบายหน่อยยืดยาวหน่อยครนนี้แถวสมาธิ คณิกาคล้ายๆกับพวางคู่บาตรนั่นหะคณิกาสมาธิอุปจาระคล้ายๆกับกับอันพราวังขจาระอัปปนาสมาธิคล้ายๆกับพรวางคูาาง่ปชเถะ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 บางข้างมันก็อยู่บางข้างก็ไม่อยู่ผู้ว่าไปมาอยู่จิตในแนวเนี่ยเป็นผู้ว่าไปมายางไงอันนี้เรียกว่าคนิกะสมาธิคุปจาราสมาธิครับจิตแนวลงอันเดียว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 แต่ไม่คิดในทิจารนารู้จักรู้สึกด้วยซ้ํนั่นเรียกว่าอัปปนาสมาธิเอาต่นั้นได้ก่อนคําว่าไอ้เาวังนี่สมาธิกันเอาแค่นั้นได้ก่อนให้ใจแค่นั้นได้ก่อนครนนี้ครั้งเมื่อลงสมาธิเป็นที่แล้ว นันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาอยู่ในอุปจาราสมาธิคิดนึกสงสัยแต่ว่าอยู่ภายในขอบเขตของสติควบคุมสติควบคุมอยู่พึกธคัขขอย่างนี้ อยู่ตลอดเวลาคือคุทธศาสนานี้เรื่องต้นดนังอธิบายมาแล้วพุทธจิตด้วยการมีสติความรู้ตัวอยู่เรียกว่าพุท ธ, ธจิตจิตเมื่อพุทธจิตได้แล้วจะเข้าถึงอัปปนาสมาธิ ที่สุดของพุทธศาสนาเพียงแค่นั้นเลื่อนฝึกเมื่อเมื่ อ, อถอนออกมาแล้วจะไม่จุดในอุปจาระไม่นอกเหนือจากนั้นหอแต่เมื่อผู้ฝึกหัดปฏิบัติจะต้องฝึกหัดอยู่เสมอเลมอน้นเพราะอะไรเพราะ งานจะทำนาธาตุของเรามีอยู่ขันของเรามีอยู่มันจำเป็นจะต้องกระทบกระเทือนจำเป็นจะต้องวันไหวจำเป็นจะต้องพึกฝนอยู่ตลอดเวลาได้แล้วมันออกมากได้อปนาสมาธิแต่มันยังมาไปดูปัจจาระดูปจาระแล้วมันอาจสามารถที่จะไปถึงคณิกาหรือออกไปนอกจากคณิกาไปจะอีก ผู้ฝึกหัดปฏิบัติที่ยังไม่ทันจำนีสจำนาสามารถที่จะหลงตามหลงไปตามมุอันนั้นยังไม่ใช่มัทผลนิพพานอันนั้นเป็นได้เพียงว่าฝึกหัดเฉยเฉยพอจะย่างถึงได้เฉยพอจะย่างเข้าถึงก็แสได้เฉย ความสงบเยือเกเย็นที่เป็นอัปนาสมาธินั่นได้ชื่อว่าอย่างถึงพุทธศาสนาแท้่ังถึงกระแสความจริงแท้ทีเดียวนะเมื่ออปนาเมื่ออุปจาระมันอถอนอุปจาระต้องพิจารณา พิจารณาอะไรพิจนารณาข้าศีกันหายาชนะมีอหลรไม่ต้องหนีหน้อยหนี่างนี้หรอ <c oughs> พุทธศาสนาเนี่ทั้งหมดนอกจากข้าศีกันหายาชนะแล้วไม่มีที่จะพิจารณาปีกยเยเล็กน้อยออกไปนอกอนั้นมากมายแต่สรุปใจความแล้วรวมมาในข้าศีกันหายาชนะนี่ทั้งนั้น ทิจนาของวันนี้มันเห็นจริงธาตุสี่ตัวของเราก็มีทุกคนขั้นห้าตัวของเราก็มีทุกคนอาจจะธาตุทิศท้อตัวงเราก็มีทุกๆคนมีพร้อมหมดแล้วทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือของเราก็มีที่จะทําการทาํางานให้ก็มีของเราเครื่องไม้อะไร คือสินสมาธิปัญญาอย่างอธิบายมาให้ฟังพิจารณาลงไปสิพิจารณาทา่าจีลงไปมันไม่เห็นนะขานี่อันที่มันไม่เห็นนั่นสีท่าจีมันเห็นเป็นคนไม่ใช่ทาาจีพิจารณาท่าจีกว่าจะให้มันเห็นว่าเป็นท่าจีจริงหรือจังนานแสนนานทีเดียวยากแสนยากทีเดียว ขั้นห้าเลยอะที่จะเห็นเป็นตัวของเราเป็นขันห้าก็ยากเหมือนกันมันเห็นเป็นตนเป็นตัวใชเห็นเป็นบุรุษหญิงชายเห็นเป็นแก่เป็นหนุ่มเห็นเป็นสาวอะไรต่างๆไปร้อยแสนสมบัติจึงพิจารณาบ่อยๆพิจารณามัน่ชั่งนานต้นเหตุตัวของเรา เป็นธาตุเปลี่ยนได้เพียงธาตุสีเป็นขันหา้าไม่ใช่ตนใช่ตัวมันก็สบายสิการเห็นเป็นธาตุสีขันหา้ามันจะไม่สบายเจ็บป่วยก็ธาตุสีขันหา้าไม่สบายก็ธาตุสีขันหา้าแตกายก็ธาตุสีขันหไม่ได้มีอะไรเหรือ เนอธิบายถึงหลักการปฏิบัติให้จำได้ให้ใ ห, ให้แม่นยำจำได้ให้จริงให้แม่นยำได้ก่อนแล้วยังค่องพึ่งหัดไปสามอธิบายอย่างอธิบายมันนี่แหละจึงจะได้หลักคันท่าเงนินไม่ได้หลักสักทีชีวิตของเราเกิดคื อ, อมามันไม่แน่นอน แก่ทั้งขนาดนี้แล้วทุกทุกคนไม่จะเอาใจทั้งทั้งหมดอ่ะ <c oughs> เมื่ อ, อไหรมันจะแตกกระดาษก็ไม่จาบมันไม่บอกเวลาให้รีบทำเสียในเมื่อมีเวลาอยู่ดีเห็นหน้ากันอยู่ตลอดเวลรีบฟังเสรีบทำเสียแล้วก็ยังได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลารีบฟังเสารีบทำเสีย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 ให้เห็นจิตอยู่กับพูโทโธอันเดียวคนนะั้นแหอย่าได้ส่งไปทางนอกทางใน่าได้ส่งไปทั้งหน้าทั้งหลังตั้งอยู่เฉพาะอันเดียวคือว่าพุโทโธอันเดียวนั่นเนะี่ยการตั้งจิตถูกตั้งจิตตรงเือไม่นึกคิด ถึงเรื่องอดีตอนาคตทางภายนอกภายในอยู่เฉยๆเอาอันนั้นเนี่เอาพุโทโธนะไว้เฉยๆเน่ยเนี่ตั้งจิตใ้พุทโธเนี่ยเฉยๆหยู่ตรงกลางกานันเนีะไม่ต้องการจะให้นานเื้อไม่ต้องการทําให้นานหรือเร็วมันหากเป็นเองเหรอกคือเมื่อจิต ตั้งแน่วอยู่อย่างนั้นแล้วยูกับพูดโทนเดียวแล้วมันเป็นเองเราไม่ต้องการแต่งถ้ามันเป็นเป็นเพราะนาเองมันจะรวมเข้าไปเข้าไปเป็นใจคือมันชีเฉยอยู่เข้าไปรวมเข้าไปที่ชี้เฉยอยู่ บางทีมันอาจจะรวมวูบลงไปดังเหมือนกับเสียงผ้าผ่าเนี่ก็มีเดี๋ยวตื่นตกใจเชียบางคนบางทีก็หายว่างเหมือนกับไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรทั้งหมดดวงเรากลัวตายเสก็มีบางทีมันก็ตกเหวตกขาวูบลงไป ถ้ากลัวตายจะดุ้งถ้ก็มีขันถ้าหาก็พูดทรรมผว้มีสติควบคุมคิดอยู่จะไม่ตกใจคำว่าว่างมั่ใค่เป็นคนว่างคำว่าดังเหมือนกับฟ้าผ่าพอดีหรือตกเหวตกผาพอดีอะไรต่างๆนั้นใครเป็นคนว่าคิดจะ เข้ามาอยู่ในที่นั้นแท้ที่จริงนั่นจิตนั่นดอกแสดงถึงเรื่องจิตนั่นแหละว่างกับจิตนี่นเป็นของวาง่างสว่างมดเส้นแสงสว่ า, างเราเลยไปมองแสงคนไม่มองจิตของเราแล้วมันตกวัวลงไปไงหรือแสงเตี้ยไว้ก็ฟ้าดผ่าไงมันออกไปจากใจนั่นเอง ถ้าผู้มีสติควบคุมใจอยู่จิตจะไม่ถอนยิ่งเจนละเอียดลงไปถ้าจิตถอนแล้วก็เพราะนาจะเป็นแล้วครนีอาการที่มันเป็นเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุที่เราทำสมาธิเบื้องต้นคือควบคุมจิตนั่นเอง คิดมันอยู่ในที่เดียวมันเกิดนิมิตต่างๆสารพัทุกอย่างแล้วแต่นิสัยของคนบางคนก็ น, นิ่งเฉย อ, อยู่ไม่มีอะไรนิ่งเฉยก็อยู่นะั่นแหละนิ่งเฉยแต่เฉยอยู่นั่นดีกว่าอย่าไปพึ่งดิ้นรนเดือดร้อนอยากจะให้เป็นโน่นเป็นนี่เลยเอาเขามันช้ำนี่ช้ำนาน้นเป็นทีนี้เดีวเอาอีก พี่นาอีกเขาเป็นอย่างนั้นเขานาอีกเขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะนานนะเข้าหากจะรู้เรื่องของมันของอันนี้มันมีครูมีอาจารย์รู้ได้ตนเองเห็นชัดได้ตนเองแังว่าพูดคนอื่นฟังก็ไม่ได้พวกพวกคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องเมือนกับควาฝันของเราเนี่ย ฝันเห็นโอ้เนนี่ยอะไรต่างฝันโตฝันเพื่อเพลินสนุกขานาดก็ตามเถอะมันเล่าคนอื่นฟังมันเล่าไว้เฉยๆเขาไม่ไปเห็นโดยเราสมาธิภาวนาเรื่องจิตใจก็อย่างเดียวเ้าจะเห็นก็จะรู้โดยไม่รู้ก็ตามเถอะแต่เรารู้้วยตนเองนี่แหละ หาจริงเนี่ยทุกๆคนนะต้องหัดอย่างนี้ตี๋